แบบพานเนี่ยนะคือการพิจารณารูปปัจขันธ์ก่อนรูปปัจขันธ์คือการพิจรารณา ก, ก า, า, กายเบื้องหลังของรูปปัจขันธ์คืออะไรมหาพูดอพูดทำอาหารก็มีสมัยใหม่เขาเอากระดูกคนเนี่ยนะทําเป็นเพชรเทียนที่อเมริกาเขารับทําอยู่ตอนนี้ใครอยากเอากระดูกพ่อแม่ไปทําเป็นเท้าก็ได้เพชรกับกระดูกต่างกันเลยเป็นมหาผงมหาผงไปเป็นปุ๋ยได้มา มาบำรุงมหาพูทใหม่ๆต่อไปอีกก็อย่างเราเอากระดูกเรานะมาทำเป็นแขนเส้นตัว ก, กระดูกปลาบํารุงแขนเส้นภายในนะเอามหาพูทธภายนอะกมาบํารุงมหาพูทภายในนะอาจจะมีศาสตร์บางกลุ่มก็แบบเอากระดูกมนุษนย์ไอะไรไปกลัมาทําอาหารไงเบ็ดมหาพุทําอาหารก็มีสมัยใหม่เขาเอากระดูกคนเนี่ยไปทำเป็นเพชรแลนะ้วไงทําเป็นเพชรเตียมที่อเมริกาเขารับทําอยู่ตอนนี้ ใครอยากเอากระดูกพ่อแม่ไปทําเป็นเพชรก็ได้เพชรกับกระดูกต่างกันตรงไหนก็คืคอเปล่สภาพไประดับหนึ่งใครจะรู้ว่าเพชรที่เราใช้อยู่ก็คือสาธุเขาให้เห็นยังไงยิงยิงเต้อก็ขเขาเล่ามานะผมมายังขำเลยบอกโอ้มาขนาดนี้แล้วแต่งไปแต่งมาเนว่าที่ไหนได้ไหมเขาบอกว่าแล้วถือในโลกนี่นะทองก็ผ่านมือคนมามากที่สุดทองที่เราประดับใช้ใช้อยู่เนี่ยนะไม่รู้ผ่านศพใครมาบ้างแล้วคนรู้หรือเราเรามาใช้เนี่ยนะ ถ้าเดี๋ยวก็ล้อมจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งแล้วไหมหลอมทองเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะทองเนี่เป็นฟัานั่นไหมเอาออกจากฟานไปหลอมเป็นอย่างอื่นต่อได้ไหมคิดอย่างนี้ตระกูลหมดเลยไหมถ้าใส่ใจแบบนี้ได้เบาๆขนาดไหนก็จะเห็นว่ามหาพูทต้องแเกิดไปจนถึงกระดูกเป็นหุยผงทั้งหมดนั่นก็ล้วนแต่มหาพุทธล้วนต่อเป็นรกประคัม รูปเหล่านี้นะอย่างใอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยากละเอียดนนละเอียดประณีตไกลละเอ้ยดทนควรเห็นด้วยปัญญาอ่นชอบตามความเป็นจริงงานั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นมหาพูดล้วนแต่เป็นเหตุใต้แห่งรูปตะขันนี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปมหาพูดเหล่านี้จะเกิดเกิดเดียกันเท่าไหร่ อาการฮ่าถ้าจะดับก็ดับโดยอาการฮ้าเมื่อเราเนอะจะปฏิบัติเพื่อเบือหนายและคลายกำหนัดในมหาพูดผู้ที่ก้าวล่วงมหาพูดโดยประการทั้งปวงคือพระอรหันต์พระอรหันต์นั่ก้าวล่วงมหาพูดโดยประการทั้งปวงแม้แต่เพลมก็ยังยึดมหาพูดอยู่ครูแต่เพลมก็ยังอิงมหาพูดอยู่ทั้งมหาพูดนี่หูมนุษย์นี่ติดข้องมากเลยนะมากจริงๆก็ลองดูนัะผิดอาหารชั่งมื้อห น, นึ่งหน้าไหม สมมติว่าเออเนี่ยนักตังก้งเลนี้ไไม่เพิ่มนะ้ําไม่แล้วนะทําใจได้ไหมไม่ได้เลยนะโอ้หิวมหาพูดจริงๆนะีตอนนี้ดูเหมือนเฉยๆเพราะว่ามันแต่งมหาพูดได้พอดีระดับหนึ่งยกบกห้องมหาพลเลยอยากให้กาหนดหรืออยากให้ใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดคิดอะไรไม่ได้มากก็มหาพูดแล้วมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกไหมเป็นเป็นที่ตั้งแห่งการพระธรรมทั้งหลายเพืดเด่อเบื่อหน่ายแล้ว คลายกนหนดในมหาพูทและวเวทนาจิตทั้งหลายที่มีมหาพูทเป็นวัตถุและมีมหาพูทธเป็นอารมณ์จะหน้าเบื่อหายสักการใดเพราะเป็นที่ตั้งแห่ทงทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งหนักมหาพูทโดยประการทั้งปว ง, งและจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบอันถ้าใครทําปริญญาเบื้องต้นอะไม่ได้เลยอยากให้กําหนดถืออยากให้ใส่ใจโดยความเป็นมหาพุทธคิดอะไรไม่ได้มากก็มหาพูท และมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกไหมเป็นเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจบ้างเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจบ้างเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมนัสบ้างทัานมาเห็นมหาพูดบ่อยๆก็สายใจได้เลยวันนี้ทุกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กเป็นที่ตั้งแห่งวิปรินามาทุกเป็นที่ตั้งแห่งสังขาราทุก์ก็มาที่สติปัฏฐานเนี่ยกําหนดจดจําอะไรไม่ได้ ก็บอกว่าขอสมาทานประพฤตมหาพูดนี่แหละอ่อมหาพูตเป็นสิงทองก็เลยถ่ายรูปมหาพูดเอาไว้เก็บเอาไว้ดูเห็นไหมดูตอนหลังนี้ทุกกับใช่เลยทุกข์หรือไม่ก็ไม่รู้พูดก็แนีเสียงก็เป็นแบบนี้ไปแล้วเสียงเหมือนเปตะไปได้ไหมพออุตสาหมาไม่เหมือนอะไรกันเลยแล้วนนี่เนี่ยแหละคือมหาพูดโลกของมหาพูดเป็นอย่างนี้แหละนี่เราก็เห็นโทษของมหาพูดเนี่แหละก็เลยช้มหาพูดให้มันคุ้มไปเลยอย่เลยทุนๆมหาพูตเท่ทีนึง ถาพระพุทธเ้าสอนธรรมเนี่ยในอย่ที่ใดที่เขาเรียกว่าบรรลุเนี่ยนะเราชมเยอเกินท่านเหล่านั้นเป็นผู้บรรลุผู้ตรัสรู้เนี่ยพ่อเรารู้ไหมเราจรึงชนท่านเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้คายมหาพูดได้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าคือผู้คายมหาพูดได้แล้วผู้ขย่อมออกแล้วนะซึ่งมหาพูดแต่มูลสัตว์ทั้งหลายรีบเอาปากไปกลืนนำมหาพูดออกมาพระพุทธเจ้าทิ้งหมดเลยนะปัจจัยสี่องค์ทิ้งหมด เขย่าออกมาแล้วนะมีคนชั้นหลังเนี่ยมาอาปากรับมีคนที่มามาเก็บมหาพุต่อไปอีกออมหาพูตเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลองวงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณามหาพุเหล่านี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโร ค, เ ป, โรคเป็นด่างหัวสีถ้าในโมในยุคทุกวันเนี่ยเลยแพเจาริญมหาพุดได้แล้วนามาขันทั้งหลายจะเจริญไม่ยาก เพราะถ้าอ่านมหาพุทจะเห็นว่ามหาพุทนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่าสมมุติถ้ า, า, าเห็นมหาพุทคือสตางค์ในจิตประพฤติไห น, นจะเกิดมีสตังเป็นอารมณ์คนได้ก็เลภะคนเสียก็โทสะก็อะไรอภิชากับโทมนั์ทุกเรื่องเลยนะมหาพูทเป็นที่ตั้งแห่งอภิชลาเลยโทมนั์คิดยังไงเนอจึงจะดับอภิชาในมหาพุทเหล่านั้นได้คิดยังไงจึงจะดับโทมนันต์ในมหาธี แต่เขาบอก่าเดือนต้องอาศัยความเพียรอาศัยสรระชน ญ, ญ์ว่าในานานจะเริ่มเห็นอาศาาัศสาวพระพุทธเาเลยถวมนัตในมหาพุธเหล่านี้ให้ได้การศึกษาสติปัฏฐานก็เพื่อพ้นจากมหาพุธธ า, าตุหันเ้ืหลายคืออะไรที่ลืเนี่ยบอกเลยนะว่าพระพุทธเจ้าที่รู้เจ่นในมหาพุธคือรู้เจ้นเหตุเกิดของมหาพุธความดับแผง่งมหาพุอาาธอัศสาวแห่งมหาพุธแล้วก็นิสรณะของ มหาเพื่มาอินเดียใหม่ๆนะบอกโอ้มันไม่น่าอยู่เชื่อไหมหลายคนมาอยู่ได้ถึงสิบสิบปีแต่เขาบอากเบื่อมากแต่ว่าอยู่ได้นานเป็นทีเลยนะคืออยู่ไปนานๆจะเริ่มเห็นอา ส, สาภาตุไปเรื่ยจะเห็นว่าอะไรนะมันเริ่มยึดตระกไปเรืยก็ะทั่งเนะ่ะสมมตินาข้าวแห้งๆนะเราจะบอกมันไม่อะไรเลยที่ใชาไม่ได้เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวผิวไปเรื่อยๆนะเออในที่สุดนี่แหละคืออมะตะ มอจะเป็นทองขึ้นได้การศึกษาสติปัฏฐานพิสูจน์เนี่ยนะอย่างผู้ที่เคยตรัสรู้ทำก็ผู้ที่ขย่อมออกจากมหาพุทธแต่คุณธรรมที่จะนําออกจากมหาพุทธนาออกจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็คือสติปัฏฐานแค่เจริญกายนานุปัสนาสติปัฏฐานเต็นเลยนะเวทนาจิตตาไมย่ยากถ้าเห็นมหาพุทธรู้เลยว่าจิตใบเกิดมีมหาพุทธเนารมณ์เอาใหม่นะัวนอีกครั้งนึง มหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกใช่ไหมมหาพูดคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นที่ไหลมาแห่งความรู้สึกมหาพูดคือเสียงเสียงกลิ่นรสก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกถ้าหากว่ากำหนดเวทนาได้แล้วนี่จิตกำหนดยากไหมไม่ยากเพราะจิตทั้งหลายก็มีมหาพูดเป็นวัตถุมีมหาพูดเป็นอารมณ์ก็จะพิจารณาจิตได้ก็เลือกเนจนละนิเวศแล้วก็เจริญโพชฌงคบา ถ้าปฏิบัติาตาม น, นี้ได้ก็จะเห็นเลยเห็นอะไรเห็นอาาริยสัจได้แบบเออมหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเยทนาสิ่งเหล่านี้แหละที่พระองค์เรียกว่าโลกิยธรรมพระองค์สอนเพื่อให้เบื่อนหน่ายและคลายกำนัดเพื่อดับจากสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงทั้งนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะเตโชธาตก็ร้อนแดงเอามาสวดสันติด้วยภาสวดสรรเสรพระพุทธคุณ่ะก็ดีพระธรรมวสตินะก็แสดงไปเรื่อยๆกันแล้วกัน เอามาอ่านพร้อมกันบ้างนะเพราเราฟังเรื่องมหาพูแล้วมาชื่นชมพระพุทธเจ้าผู้พ้พนจากมหาพูติด่ปพร้อมกันแล้วเชิญ น, นะครับข้าพเจ้าขอถวายนมัสการด้วยเสียงกล้าวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันเจ้าแต่พระธรรมเจ้าอนประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึง เพื่อทำให้แจ้งคุณเครื่องแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นทรานธรรนเสียเสียสื่ายคื อ, ค, อคิดด้วยหลายโกดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงถึงฝั่งแห่งสาครคือใหญ่ธรรมแล้วทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้งมีในอันวิจิตเพื่อยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ ข้าพระเจ้าขอถวายนมัสการด้วยเสียงก้าวแด่พระธรรมเจ้าท่านประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงเพื่อทำให้เจ้าพุ่ครืลองแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นร่างพัน์ริสกัดเสียซึ่งขาดคือกิเลสมีวิชาเป็นต้นเป็นธรรมมันปราศมณีที่แท้พระพุทธเจ้าทรงบูชาและเสดอยู่เป็นนิจ ศสตร์โลกเมื่อไม่ยังรู้ทํานั้นจึงต้องท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพบอยาร่ำไปข้าพเจ้าขอถวายนมัสการด้วยเสียงก้าวแด่พระอริยสาวกเจ้าผู้เป็นโอรสอันเกิดแต่พระหุรษแห่งพระศาสดา ประกอบด้วยคุณหมิสินสมาธิปัญญาวิมุติและมีมุลสิยาและศาสนาเป็นข้ามูลผู้ดำรงอยู่ในมักและผลเป็นเนื้อนาบุญของเหล่าชนผู้ดีความเต้ากาด้วบุญเป็นผู้ย่ำยีมารและเสนามานได้แล้ว ข้าพเจ้านำมัสการยู่งพระรัตรายข้ามควรนอบน้อมบูชายิ่งโดยส่วนเดียวด้วยประการดังกล่าวมานี้ได้แล้วเพิ่งคุณสนผลบุญทีไมลูมอากิเลตราธุ ด้วยอนุภาพแห่งกุศลบลังบุญ น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้พรอดจากอันตรายทาั้งปวงจงเป็นผู้ถึงรอ้อมเมตตาผู้เกื้อกูลและความสุขทเท่านะะั้นข้าพเจ้าขอพระบูชาสักการะ แต่พระผู้มีพระภาชเ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ไจากกิเลสตต่สรู้ข้าได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นนักปราชราจากโมหะ ทรงทำลายกิเลสเครืร่องสงสัยมีพระธรรมเน า, มานทรงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ทรงบันเทิงทรงีมีมัญญาอันเจริญทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระศัจจะเป็นที่สุดความเสมอไม่มีผู้ประหลาดจากมนทินข้าพระเจ้าขอร่ำน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์กลายจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ไม่มีความสงสัยมีพระภัยดีสรงทายอรู้ได้แล้วทรงบันเทิงทรงมีสมณะธรรมอันธรรมสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมุติมีพระสัจระเป็นที่สุดเป็นอรหะไม่มีผู้เปรียได้ ทรงเป็นผู้ประสาทุลีข้าพเจ้าข อ, อนะมอมบูชาสักการะในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอาหารหันต์ใกล้าจากกักริยาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้สิ้นความสงสัยทงเชีย่ยแหลงทรงแนะนำสัตว์เป็นสารถีผู้ประเสริฐไม่มีผู้หุนยิ่งไปกว่า ทรงมีธรรมอันงามหมดวามทะรุดงามทรงนำแสงสว่างทรงตัดมานาเสดาทรงมีพระวิริยะข้าพเจ้าขอน่ำน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์กรจากกิเลสตรัดรักชาดได้โดยพระองค์เองผู้องค์อาจ ไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณอันลึกซึ้งมันล้วถึงญาณหรือหมู่ทรงทางความเกษมทรงมีพระญาณคือเวททรงตั้งอยู่ในธรรมทรงสำรํำรวมพระองค์นี้ทรงรู้กิเลสเป็นเครื่องข้าทรงเป็นผู้พงแล้วข้าพเ <พา S 1> จ้าขอร <พา S 2> นอมผูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นพระอหังตไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้ายโดยพระองค์เองผู้ประเสริฐทรงมีเสนาสนะอันสัตย์มีสังโยชน์แล้วผู้พ้นแล้วทรงมีพระปัญญาเครื่อคิดอานทรงมีพระญาณเครื่อรู้ผู้ละโทรมคือมานาเสียดา้ญญาปราศรากข้าผู้สุกแล้วผู้ไม่มีทำเครื่องเล่นพระ ข้าพเจ้ากอน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระพ่อเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์กลายจากกิเลสตราสรูมฉันกลายทรงเฮงผู้ทรงเป็นพระฤาษีที่เจ็ดผู้ทรงเป็นพระอริยะมีพระองค์อนุสัต์ประเสริฐทรงล้างกิเลสแล้วทรงชาประสูติอักษรให้เป็นบทกาถา ทรงสงบปรรลับแล้วทรงมีพระญาณอันรู้แจ้งทรงให้ธรรมทานต่อจากผู้อื่นทั้งหมดทรงสามารถข้าพเจ้าขอนอบนู้บูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ครายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระอริยะ มีพระองค์อนอบรมแล้วทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงอัคคีพิสดิจานทรงมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ทรงยุบลงไม่ทรงฟูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวทรงบรรลุมาเป็นผู้ชํานาญจ้าพเจ้าขอ น, อน่อมนบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์รจากกิเลแต่สรู้เช่าได้โดยพระองค์เองผู้เสด็จไปดีทรงมีฌานแม่ทรงปล่อยจิตไปตามทรงบริสุทธิ์แม่ทรงสะดุ้งทรงปราศจากความกลัวทรงสงัดทั่วทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามได้เองทรงยังสัตว์อยูาให้ข้ามได้ ข้าพเจ้าขอนอ้มน้อมบูชาสักการะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์แกลจากกิยเลชตรัสรู้ชาบ่ายโดยพระองค์เองผู้ทรงแล้วทรงมีพระปัญญาเสมอด้วยฐานดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากโลภะทรงดําเนินปฏิปท า, าเหมือนพระพุทธเจ้าในตานก่อน ทรงเสด็จใยดีแล้วไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงกล่ากล้าผู้อยู่สุขุมข้าพเจ้าขอร่ำน้อมบูชาสคาระแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไตรจากกิเลตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ตัดตัณหาได้ขาดทรงเป็นผู้ตื่น พระสัจจควรผู้คุณตัญหาและทิฏฐิไม่ชาทาได้ผู้คัวรับการบูชาทรงได้พระนามยักษ์่ะทรงเป็นอุดมบงคลมีพระกุณไม่มีใครช่างได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงถึงยอดอยาบยอดเยี่ยมเต โ, โชท่ากันเร้อบหลายคนละก็เดี๋ยวขอขามาพระตนาตายกันก่อนเลยนละด้วยกาก็ดี ก็ดีด้วยใจก็ดีทําด้วยความรู้ก็ตามทําด้วยความไม่รู้ก็ตามจงใจก็ตามไม่จงใจก็ตามหรือด้วยความพลั้งเผลอด้วยความประมาทที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ล่วงเกินพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ล่วงเกินโมพระอริยสาวกทั้งมวลที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นโทษแห่งความล่วงเกินเหล่านั้นได้มีความตั้งใจ ที่จะสังวีสำรวมระวังในพระรัตนตรยัยขอพระรัตนตรยัยจงงดเส้ทโทษล่วงเกินอ น, นันต์เพื่อจะได้ไม่เป็นอุปนิสัยแห่งนิวรณ์จะไม่ขัดขวางในการเจริญสติปัฏฐานสี่ จะได้ไม่ขัดขวางในการอบรมเจราาิญอรยยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อความดำรงมั่นในพระศาสนาเจริญนอกงามในธรรมวินัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนทั้งมวลที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพรงทั้งหลายจักประพฤติ ด, ดีด้วยกายประพฤติ ด, ดีด้วยวาจาประพฤติ ด, ดีด้วยใจเป็นเครื่องสการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> พระธรรมเจ้าและพระสงฆ์้าเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจักเที่ยวไป จากบ้านโสบ้านจากบุรโสบุเรพลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันดีและปฏิบัติตีแห่งพระสงฆ์ข้าพเจ้าจากเที่ยวไปจากบ้านโสบ้านจากบุเรโสบุเรพลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทงรรมงรรมอางพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์จากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากปุรรสู่ปุเรพลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทางพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอทิศให้แก่บุปการีทั้งหลา ย, าลายมีบิดามารดาเป็นต้ น, าา น, นตนลอดจนเทพพญดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตสมณะจินดีร่วมอนุโมทนาด้วยกั น, ด, กนด้วยบุญกุศลที่ได้จาริกบูชาในสังเวชนยียสถานทุกแห่ง น, นั้น ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีจิตมั่นเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่ อ, อยังพ่อชงเจดให้บริบูรณ เพื่ออย่างวิชาและวิมุตให้บริบูบรบณ์ขอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงสมบูรณ์ด้วยสมบัติสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้ช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนา เปิดบรม บ, บันเพนอธิศินศาสนาอธิจุตศาสนาและอธิปัญญาศาสนาทั่วธรรมที่สุดแห่งวัตทุด้วยปริญญาในอุปาทานขันห้าตับชันธราคาในอุปาทานขันห้าแทงตลอดอมตะมหานิพพานธาตุ จงสำเร็จดังความปรารถนาทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุสมมาสติเป็นสติปัฏฐานสีในะครัแบแอดเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเนคขมาวิตกอัพญาปาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกการเจริญวิตกเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะตรึกตรองพิจารณา เจริญสัมมาสังกปะนี่ครับแต่เวลาเจริญสติปัฐานสี่เราก็มีการตรึกมีการตรองมีการใส่ใจพิจารณาโดยบัจพะต่างๆมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าแยกแยะ ก, กันยังไงให้บุกคคลช่วยอธิบายตามความเข้าใจของผมนะอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามาสํารวจดูเราแล้วเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์งนี่นะเช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ย แล้วเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิแค่ไหนสัมมาสังปา์เราเข้าใจแค่ไหนก่อนผมว่าก่อนอื่นที่จะเจริญนิปปสนาหรือทําปริญญาเนี่ยนะเราน่าจะมาขนไหวยในเรื่องแต่และองค์แต่และองค์ก่อนนะเช่นสัมมาสังกปา์เนี่ยนะเราเข้าใจแล้วว่านี่คือเรื่องการตึกตึกไปในประเภทไหนบ้างเพราะว่าปกติก็เป็นกามพิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทํายังไงเราจะพยายามฝึกให้เป็น เป็นอัพยาปาทาวิตกหรือว่าเป็นอวิงสาวิตกหรือว่าเป็นเนคขมวิตกได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการบังคับกันนะแต่ว่าแท้จริงมันไม่ใช่เป็นการฝึกฝึกให้ชํานาญในเรื่องเนคขมวิตกให้มั่นคงให้มีกําลังสซะหน่อยก่อนก่อนที่จ ะ, จะเจริญนิพพสนาหรือว่าไปทำปริญญานี่นะฮะเพราะเราสังเกต ด, ดูนะว่าเออของเราเนี่ย อากุศลวิตตกที่มันเกิดบ่อยมากเลยนะฮะแล้วก็บางครั้งก็เกิดนานๆด้วยผมห่วงเรื่องนี้นะไอ้เรื่องการตึกเนี่ยนะว่าเ๊ทําไมหลับจึงอากุศลวิตตกมากนะฮะแล้วทำไมจะให้กุศลวิตตกเกิดมากๆผมก็มาคิดว่ามันก็ควรจะต้องลงมาเจริญปัจจัยหนึ่งนะที่จะทําให้เป็นกุศลวิตตกได้เนี่ยก็คือการอ่านพระไตรปิฎกมากๆอย่างหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งนะก็คือการเจริญสมถะเนี่ยเจริญอนุอนุสติเนี่ยมากๆน ะ, ะถ้าเจริญอนุสติมากมากนะจิตจะเป็นการตึกเป็นในเนคขาไม่มิตกได้มากถ้าเราซ่องเสพให้เป็นเนคขาไม่มิตกได้มากมากเรื่องกรรมสิบลาเราจ ะ, จะเจริญวิปัสนาหรือว่าจะทํำปัญญานี่ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองแทนที่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นอนุสติก็มาเป็นอารมณ์มาเป็นขันธ์ธาตุอายตนะ ถ้าว่าอยู่ดีเราจะจู่โจมไปเจริญวิปัสสนาเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ท่อนกระแท่นเต็มทีเพราะว่ามิตกเรามันปวกเปียกมันไม่แข็งแรงฮะแต่ผมมีความเข้าใจอย่างนี้นะหรือ ว, ว่าองค์อื่นนะถ้าองค์อื่นก็เช่นสมมติ ว, ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าหาว่าเราเรายังไม่ชำนาญในเรื่องกรสิบสองยัง ยังไม่ไม่คล่องแคล่วในคำสิบสองแล้วก็ไม่คล่องแคล่วในปฏิจจสมุปาทนะไม่ลงไปลึกในปฏิจจสมุปาทเรียกว่าทุกองในในปฏิจจสมุปาทเนี่ยเราควรจะเข้าใจในว่ารู้วองค์ธรรมเขาเป็นยังไงยังไงเนี่ยให้ลึกซึ้งเนี่ยนะถ้าหากว่าคำศัพทตาไม่ดีนี่ก็ก็ควรจะทําให้มีปัญญาขั้นนี้เสียก่อนผมนึจจกในใจอย่างนี้นะใครจะเพิ่มเติมมั้งนะ แต่พอเวลาเราจะมีปัญหาท่านต้องเยี่ยมยอดเลยอดีตเนี่ยแสดงว่าไอ้สมมติที่อันเป็นเบื้องต้นหรือเป็นอาทิพลมจันเนี่ยเขาดีแล้วเนี่ยต่อไปจึงจะน่าจะเป็นสมมติที่ที่ที่แท้ต่อไปนะหรือที่ที่จะพิจารณาขันทา่อาอายตนะได้ดีต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะเราควรจะต้องเจริญเพราะว่าเราผมมาอินเดียคราวนี้นะผม กลับนึกว่าเออไอสิกขาต้นๆเรานี่น่าจะต้องให้มันมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยเพไปนัดสองสิกขาแรกนี่แข็งแรงแล้วปัญญาสิกขามพอได้ฟังข้อสามารถลองรักได้เลยอาจารย์เวลาเจริญมัก่ีแต่อาจารย์เจริญยังไงครับหมายความว่ามาทําให้แต่ละองค์เข้มแข็งก่อนหรือว่าอาจารย์จะเจริญเจริญไปเลยตอนนี้คิดว่าแยกเจริญได้นะครับเพราะว่าคงยังไม่ได้เจริญ ถ้าศึกษาพระพิธรรมสมัยก่อนก็คิดว่าเวลาที่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งบารมีมานานอย่างนั้นเนี่ยจิตสิกขาหรือว่าทําจิตให้เป็นเนคขมวิตกนี่สบายสบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นสองสิกขาแรกนี่แข็งแรงแล้วปัญญาสิกขาพอได้ฟังข้อสามารถลองรับได้เลยอาจารย์เวลาจเจริญมากยิ่งแปรอาจารย์จเจริญยังไงครับหมายความว่ามาทําให้แต่ละองค์เข้มแข็งก่อนหรือว่าอาจารย์จะเจริญ เจอไปเลยตันนี้คิดว่าแยกเจริญได้นะครับเพราะว่าคงยังไม่ได้เจริญถ้าศึกษาพระพิธรรมสมัยก่อนก็คิดว่าเวลาที่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็มันเกิดพร้อมกันหมดแต่ว่าความจริงแล้วมันก็สามารถที่จะแยกเจริญได้เพราะว่าถ้าอย่างองค์องศีลไม่ดีจิตไม่สงบเพียงพอแล้วจะมาพิจารณาอะไรให้ต่อนเนื่องเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะนั้นก็อย่างการตรึก เรื่องของศีลมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ศีลดีขึ้นหรือว่าการตรึกในเรื่องของอารมณ์ที่ทําให้จิตสงบอย่างหรือว่าอสุภะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้จิตสงบขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มันเหมือนกับว่าแยกกันเจริญนะครับแต่ว่ามันมีองค์อย่างเช่นตรึกในเรื่องของพุทธาลสติเนี่ยขณะ น, นั้นเนี่ยสมาธิก็เริ่มมีกําลังหรือว่าเจริญขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นการ จเจริญสัมมาสังกปะไปด้วยจะเป็นเนคขมะสังคปะแต่ว่าตรงนี้ยังคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าน้อมจิตไปหรือเ่าว่าจเจริญอะไรเป็นประธานหรือว่าเป็นสําคัญเพราะว่าอย่างขณะที่กุศลจิตเกิดก็มีวิริยะเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นสมบัติทานหรือว่าเป็นสมาธิที่มีกําลังเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรฮะเรียนถามพระอาจารย์ ผมข้เห็นด้วยนะว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเจริญอนุสติเนี่ยนะแล้วเราคือเราเพ่งหรือว่าเรานอมไปในกุศลจิตที่เกิดจากการเจริญอนุสติเนี่ยนะามาทไมาให้จิตเราเป็นกุศลได้นานๆเนี่ยนะและขณะนั้นเนี่ยก็มียมามะอยู่ด้วยใช่ไหมฮะคือสาคัญผมคิดว่าอย่างนี้นะ คือการทิ่จรนาแต่ละองค์เนี่ยนะแล้วน้อมไปในนิพพานหรือว่าน้อมไปในวิเวกเนี่ยนะฮะอันนี้จะจำเป็นไหมจำเป็นไหมถึงว่าถ้าเราตั้งใ จ, จเจริญสัมมาสังกัปปะหรือว่า